พระครูสิริหันสาพิบาลหลวงปู่เพงพุทธธรร ม, มวัดป่าสามัคคีธรรมบ้านโนนสวรรค์เมืองสิบตำบลนาโพอเภอเมืองจัังหวดร้อยเอ็ด 101, พุทธศักราช2457ถึง2545 สติแปลว่าระลึกรู้พุทธะแปลว่ารู้เหมือนกันส่วนจิตอันนี้แปลว่าคิดลูกเดียว ต้องทำกรรมฐานให้เกิดขึ้นในจิตของเราเอาท่านผู้รู้นี้นะจิตของเราจะกลับไปไหนคิดไปไหนมาไหนก็ตาม ต้องกำหนดรู้เสมอเสมอเลยอันนี้แปลว่าสติสติกับจิตนี่เป็นอันเดียวกันแต่เกิดมาคนละครั้งเกิดคนละที ความคิดคิดขึ้นมาแล้วสติก็หายไปถ้าตัวสติกำหนดรู้อยู่เสมอแล้วตัวความคิดอยู่ก็หายไป เหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้กําหนดรู้เอาสติกําหนดรู้จิตนี้แหละให้จิตของเรานี่เป็นพุทธขึ้นมาเลย จิตของเราเป็นพุทธตลอดเวลาแล้วจิตเขาจะคิดไปไม่ได้คิดไปก็ดับคิดไปก็ดับ ถ้ามันดับไปก็เป็นตัวนิโรธาสัตย์ประจำใจเลยพุทธะนี่เป็นตัวนิโรธาสัตย์ถ้าตัวจิตมันคิดขึ้นไปตัวรู้นี่ดับ ตัวรู้นี่รู้ทันดับเลยความคิดก็ดับไปความนึกก็ดับไปไม่ไปตามเขาเลยเพราะความรู้มันแก่กว่า ตัวจิตเรามีกำลังกว่าตัวความรู้ก็หายไปมีแต่คิดไปตามเขาตเตลิดเปิดเปิงไปเลยอันนี้แปลว่ากำลังของสติ คือผู้รู้อ่อนถ้ากำลังของสติแข็งแกร่งอยู่แล้วส่วนความคิดจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นมาก็ดับ เกิดขึ้นมาก็ดับคิดมาก็ดับนึกมาก็ดับทันทีเพราะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า นิโรธาสัต์แปลว่าดับเท่านั้นเองดับแล้วก็หายไปดับแล้วก็หายไปเท่านั้นเอง ยังให้บามเพนสมาติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดขึ้นมีในจิตของเราถ้ากำลังของสมาติแก่กล้าขึ้นมาแล้ว ตัววิปัสสนากรรมฐานเขารู้ทันทีเลยถ้าจิตเป็นสมถวิปัสสนาแล้ว ส่วนความคิดความนึกความปรุงความแต่งความเพลิดความเพลินอะไรหายหมด เป็นตัวจริงของสมถะกรรมฐานได้แก่ตัวพุทโธนี่แหละผู้รู้นี่ผู้เห็นนี่ผู้นึกอยู่ได้ แหละตัวกรรมาฐานแท้เลยท่านเป็นผู้รู้ผู้เห็นนี่รู้จักว่าอัตภาพร่างกายของเราเป็นมาอย่างไรไปอย่างไร จะแตกดับทำลายเมื่อไรรู้อยู่เสมอเลยอย่างนี้ไม่มีใครล่วงพ้นไปได้เลย น, นี้แหละตัวกรรมฐานแท้ๆเลยได้แก่ตัวพุทธะนี่เองได้แก่ตัวสตินี่เอง ธรรมะที่ออกจากทุก์คืออะไรเรามากำหนดรู้รูปธรรมของเราเองรู้นามธรรมของเราเอง รู้พระธรรมของเรานี่แหละเมื่อเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีอาการแปรปรวนไปใน่้ำกลางมีดับไปในที่สุด สำหรับรูปประธรรมเราแล้วมารวมรู้ในตัวนามธ ร, รรมของเราอีกตัวนามธ ร, รรมของเรานี้คือตัวจิตของเรานี้แหละ บางทีมันก็คิดดีบางทีมันก็คิดชั่วบางทีก็คิดเป็นบุญบางทีก็คิดเป็นบาปอย่างนี้แหละ ให้เรากําหนดรู้เท่านั้นเองนี้แหละเรากําหนดรู้ซึง้งรูปพระธรรมกับนามพระธรรมทั้งสองประการ น, นี้แหละ ใจเสียว่าสิ่งทั้งปวงมันเกิดขึ้นจากกายและจิตของเราเท่านั้นเองถ้ารู้อย่างนี้แล้วเราต้องพยายามอย่าไปปฏิบัติที่อื่น กำหนดรู้กายของตัวกาหนดรู้จิตของตัวเท่านั้นเองมาพิจารณาร่างกายเป็นเครื่องหมาย ต้องนึกถึงแต่เราเป็นเด็กมาทีแรกจนกระทั่งถึงอายุถึงปานนี้มันเป็นอย่างไรให้เอานี้แหละเป็นเครื่องหมาย สมถะให้เกิดขึ้นมาแจมแจ้งทีเดียวเมื่อเวลาตัวจิตเราชี้ชัดว่าอัตภาพร่างกายของเราไม่เที่ยงเนอ เป็นกองทุกหนอเป็นอตาตาหนอนั่งก็รู้นอนก็รู้ ก็รู้รู้ไปรู้มาส่วนนี้แหละจิตเราตกกระแสพระนิพพาน มันจะวางอุปทานรูปเวทนาสัญญาสังขารไปได้ ก็จะไปถอนส ก, กายทัทิหิ ก็จะหายไปความรูปคล้ำร่างกายของคนศีลปัตตะปรมาตก็จะไม่มี ให้ตั้งใจทำให้สติหรือตัวรู้อันนี้ให้แก่กล้าขึ้นมากำหนดรู้เท่าทันตามเป็นจริงของรูปประธรรมกับนามธรรม เท่านั้นสำคัญที่สุดคือตัวจิตของเราตัวสติตามรู้จิตของเรานี้แหละถ้าทำได้อย่างนี้ รับรองปรารถนานิพพานปรารถนามรรคผลได้ทั้งนั้น